ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายการบรรยายประสูตร์ในวันนี้ก็คงจะเป็นการพูดถึงเรื่องมงคลประสูตรหรือมงคลแห่งชีวิตในตอนต่อไปมงคลชุดต่อไปทรงใช้คำาบริว่าคันติจะโซวจัตสตาสมนานันจะดัชนังกาเลนธรรมซากาัชา เอตมังกัล ม, มุตมังเราแสดงธรรมะไวสี่ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือขันติที่แปลว่าความอดทนความอดทนหรือความอดกลั้นหรือความทนทานเป็นหลักธรรมที่มีความสำคัญทุกขั้นตอนแห่งการประพฤติปฏิบัติข้อนี้ท่านตั้งหลายจะเห็นว่าในอุวาตปาฏิโมกซึ่งเป็นคำสอนหลักของพระพุทธเจ้า ก็ทึงเริ่มด้วยคำว่าขันติปรมังตโปติติ่าซึ่งแปลเป็นใจความว่าขันติหรือความอดทนเป็นตะบะอย่างยวด จ, จริงซึ่งหมายถึงกา ร, รปฏิบัติเพื่อสัมผัสผลสำหรับตนเองและการทำงานเพื่อเกื้อกูลเกตโลกของพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่มาประชุมกันตั้งพัน250รูปนั้น ล้วนแล้วแต่จะต้องอาศัยคันติธรรมเป็นหลักทั้งหมดในตามพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงถึงความงามของคนเอาไว้ในแง่มูลต่างๆแล้วก็มาสรุปด้วยความงามโดยธรรมะสองประการคือคันติและโสรจะว่าเป็นธรรมที่ทำบุคคลให้งาม แม้ในทางคาดีโลกเองโบราณนณดิตคือนักปราศสมัยก่อน <c oughs> ก็ได้กล่าวยกย่องคันติเอาไว้เป็นนันมาก <c oughs> และธรรมะหลักสองชุดธรรมะหลักสองชุดสมบคนชั้นสูงสองประเภทคือพระโพธิสัตว์ที่สร้างสมอบรมบา ร, รมีมาเพื่อการเป็นพระพุทธเจ้า ก็มีขันติบารมีพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นผู้นำของนราชนในชุมชนนั้นๆก็ต้องมีขันติเป็นทศพิตราชธรรมมาถึงคารวาสผู้ครองเรือนจึงต้องอาศัยธรรมะสี่ประการก็มีขันติอยู่ในธรรมะที่ เป็นหลักในการดำรงชีวิตของบุคคลไม่ ว, ว่าในชั้นใดก็ตามจึงต้องอิงอาศัยคันติอยู่ตลอดไปคันติเราแปลว่าความอดทนซึ่งสิ่งที่ต้องอดทนนั้นก็มีอยู่4ซ้สายด้วยกันสายแรกได้แก่ความวิปริตแปรปรวนตามธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นโดยปรากฏการณ์ของธรรมชาติจะรุนแรงสาหัสสาการอย่างไรก็ตาม เมื่อเราต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์อยู่กับสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นจะต้องใช้ความอดทนเป็นหลักเอาไว้ในขั้นตอนของการแก้ปัญหาก็คือแก้ปัญหาไปแต่ในขณะที่กาลังแก้ปัญหาอยู่นั้นก็ต้องใช้ความอดทนเจิดน้าท่วมพายุเกิดปาฏิพายขึ้นมาเกิดลทุกขกะยขึ้นมาเกิดแผ่นดินถลม่มเกิดปลุกไฟระเบิดหว่าอะไรก็ตามสรุปว่าเป็นเรื่องที่จะต้องอดทน ในความคิดในเรื่องเหล่านี้ก็ทรงแสดงไว้หลายแนวในแรกคือยังมีเรื่องอื่นที่รุนแรงมากกว่าเจ็บปวดมากกว่าแล้วคนเหล่าอื่นก็กําลังประสบความรุนแรงเหล่านั้นมากกว่าเราแต่ก็อยู่ได้เราก็ต้องอยู่ให้ได้ด้วยประการต่อไปก็ต้องมองในแง่ของธรรมดาเรอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ ก็ต้องมีปกติธรรมดาไม่ต้องพูดถึงดินน้ำลงไฟข้างนอกหรอกดินน้ำลงไฟในกายเราที่ประชุมการเป็นธาตุมันก็ปั่นป่วนวุ่นวายมากไปน้อยไปก็วุ่นวายทุกทีมันก็หงีเง็นกันอยู่เป็นสุดก็จะเกิดความอดทนไม่หวั่นไหวต่อปรากฏการธรรมชาติเล่านั้นพยายามยืนหยัดอยู่ให้ได้เพราะถ้ายืนหยัดอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ในโลกนี้ไม่ได้ก็มีสัตว์เปน็นมากที่ตายไป เราไม่สามารถทนต่อความวิปริตแปรปรวนของธรรมชาติได้ประการที่สองนั้นเป็นเรื่องของการลงทุนลงแรงประกอบภารกิจการงานอย่างสำนวนที่เราพูดกันเป็นภาษาไทยว่าถ้าต้องการความสุขต้องเอาความทุกขมาลงทุนก่อนและในที่สุดก็จะรับผลเป็นความสุขแต่ถ้าใครติดสุขติดสบาย ต้องการได้เฉพาะฝ่ายความสุขเพียงส่วนเดียวแต่ในที่สุดก็จะจบลงด้วยความทุกข์ทรมานดังนั้นการทํางานการปฏิบัติภารกิจทุกอย่างของบุคคลทั้งหลายว่าจะทํางานอะไรก็ตามก็ต้องมีความเหนื่อยยากลําบากในการปฏิบัติภารกิจเหล่านั้นบางทีก็เป็นหลังสูข้าหน้าสู้ดินจะต้องไปจนกระสิง อันตรายต่างๆความคิดในลักษณะนี้ก็เหมือนกันจะพบว่าตามปกติแล้วคนเราถนอมตัวเองเชื่อจูตัวเองแล้วก็ยกย่องตัวเองจะมีความรู้สึกว่าตัวนั้นทำงานหนักนัอเกินแต่ถ้าเรามองกันด้วยใจที่เป็นธรรมในขณะที่เรารู้สึกว่าหนักนั้นยังมีคนที่ทำงานหนักมากกว่าคนนั้นก็กยืนหยัดอยู่ได้กตรงชีวิตอยู่ได้ล้วก็ต้อง ดำรงอยู่ให้ได้หลือจะคิดในตำนองที่พูดกันว่าคนเราไม่ใชเกลือถูกฝนจะละลายไม่ใช่ขี้พึ่งถูกแดดจะละลาย mm. ก็อยู่ได้ทั้งแดดจัดลมจัดแด ด, แดดจัดหรือฝนตกจัดนี่ก็เป็นเรื่องของการงานที่ท่านเรียกใช้คําว่าทนลําบากทนตร ก, กรรมเพราะไม่มีการงานอะไรที่ที่ไม่ลําบากตร ก, กรรมมันก็ต้องว่า ก, กันไป ประการต่อไปก็คือทนต่อความเจ็บปวดทุกทรมานต่างๆที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของโรคภัยไข้เจ็บที่มาเสียดแทงร่างกายนั้นพระพุทธศ า, าสนาทรงเรียกว่าโรคชนิดทางประพังกุนังคือเป็นรังของโรคสัพพโรโภคคือมีโรคอยู่เยอะแยะเพราะงั้นเมื่อโรคเหล่านั้นแกมีกาลังมากขึ้น คือก็เสียดแทงเอาเมื่อเสียดแทงเอาก็ต้องทนเอาการเยียวยาบําบัด ร, รักษานั้นก็เป็นขั้นตอนหนึ่งแต่การทนต่อความเสียดแทงของโรคก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าอดทนโดยไม่ยอมเยียวยารักษานั่นก็ไม่ใช่วิธีการปฏิบัติธรรมะในการเยียวยารักษาก็เยียวยารักษาไปในการอดทนต้องอดทนกันไปทุวกเวทนาเหล่านั้น บางครั้งก็มาจากพวกอากาศพวกอะไรตัวไรระการต่อไปก็คือความเจ็บใจอันี้ออกจะรุนแรงคือเรงต้องอดทนกับคนเป็นหลักใหญ่อดทนต่ออารมณ์ที่ก้ า, าวร้าวรุนแรงการสบ ป, ประมาทการดูหมิ่นการรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือการถูกกดขี่ถูกเบียดเบียนขุมเหงรังกรแกจากบุคคลทั้งหลายซึ่ง ถ้าหากว่าไม่อุทนเอาไว้เรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็จะบานปลายการอยู่ร่วมกับคนเรื่องความอดทนมีความจำเป็นมากเพราะร้อยโนก็ร้อยความคิดร้อยจิตใจก็พร้อมจะแสดงอะไรออกมาตามพื้นเพอัตยาสายของเขาเมื่อจําเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลผู้นั้นเรามองในแง่ลึกซึ้งกับวิวบาร์ันเราไม่ดีต้องมาเกิดร่วมกับคนเหล่านั้นสำนวนพระอาหารหันต์ท่านบอกก็เป็นโทษของวัตฏะคือว่าถ้าเราไม่เกิดมามันก็ไม่เจอคนเหล่าเนี้ย มาเกิดมาแล้วทำไงเพราก็วัฏฏะเป็นโทษของวัตฏะท่านจะไม่โยนให้ใครแต่ท่านบอกเป็นโทษของวัตฏะสาบใดที่ยังมีวัตฏะคือการหมุนวนเวียนไหวาตายเกิดอยู่ในทั้งสาระวัฏสภาพเหล่านี้เราก็ดีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเจอคนนานาชนิดแในข้อนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงเมื่อพระอานนุไ์ไปกราบทูลอาราธนาอีตอนเสด็จเมืองโกสัมพีดูเหมือนจะเคยเล่ามาครั้งหนึ่ง ตอนเสด็จเมืองโกสัมพีนันางมาคันธิยาเมษสีข้าวเจ้าอุทเทนในผูกใจเจ็บที่พ่อของนางได้ยกนางถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่รับแล้วก็ซ้ำตําหนิความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายให้นางต่อหน้านางนางก็โกรธผูกใจเจ็บเมื่อทําอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็จ้างคนให้ด่าไปทุกถนนทุกทางทุกเช้ารานนท่านเป็นพระโสดาบันนะฮะปฏิฆะ กามรมาาคา่ปฏิฆาตในประโสดาบานยังละไม่ได้ไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าพระนรก็ขอให้ย้ายไปอยู่ที่เมืองอื่นพระพุทธเจ้าก็รับสั่งถามว่าจะไปเมืองไหนนางก็บอกไปเรื่อยพระพุทธเจ้าก็รับสั่งถามว่าถ้าเขาด่าในเมืองนั้ น, น, นจะทําไงประนรก็บอกก็หลบไปอีกก็หลบหลบไปเรื่อยเหมือนกันในที่สุดก็สรุปว่าไม่สิ้นสุดกับกันนั้นการแก้ปัญหาในลักษณะไม่สิ้นสุดเรื่องมันเกิดขึ้นที่ใดเรื่องต้องระ ง, งับเสก่อน แล้วจึงจะไปในะที่อื่นก็ไปในวันหลังแล้วทรงเปล่งเป็นทานองกล้ๆพุทธอุทานว่าหังนาโควะรัางคาเมจาปาโตปฏิตังสรังเป็นต้นซึ่งแปลเป็นใจความว่าเรานั้นเหมือนช้างศึกที่เข้าสู่สงครามภารกิจของช้างศึกนั้นก็คือต้องอดทนต่อลูกศรต่ออาวุธไร้ซึ่งฆ่าศึกยิงมาซัดมาพุกมาแทงมาจากทิศทั้งสีให้ได้ ไอคนที่ทุศีนั้นมันก็พร้อมที่จะด่าได้ทั้งนั้นไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามว่าจิตใจก็ก็เป็นอย่างนั้นเองแต่ถ้าเราจะมัวพิษไปแก้ที่คนนั้นคนนี้คนโน้นแล้วไม่แก้ที่ใจตัวเราปัญหาก็คงจะเป็นปัญหาอยู่ตลอดไปวิธีการในทางพุทธศาสนาจึงไม่มุ่งไปแก้ที่คนอื่นแต่มุ่งที่แก้ที่ตัวเองหรือปรับอยู่ที่ใจตัวเอง แต่เ้าด่าเขาว่าถ้าไม่รับเสียอย่างหนึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่การมองในแนวนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับที่กล่าวแล้วนะฮะคือว่าอาศัยคติเป็นพื้นฐานเอาไว้แล้วก็ใช้สติปัญญาเป็นเครื่องพินิพิจารณาโดยมองเห็นว่ายังมีความรุนแรงมากขึ้นไปกว่านั้นแต่เราก็ไม่เจอเราเจอขนาดนี้ก็ดีกว่าคนอื่นเยอะและเราก็โชคดีกว่าคนอื่น ตัวไหนกรณนนี้ก็ใช้ได้ในตู้ทั่วไปนะฮะอย่างบางคนมกกักจะบ่นวันก่อนนี่ลูกศิษย์คนหนึ่งเขามีเงินเดือนตั้งหมนะื่นห้าพัน่ะสองคนพ่อเมียก็บ่นว่าเงินเดือนไม่พอบอกว่ามันก็ต้องคิดดูให้ดีเหมือนกันว่าพี่น้องเราอีกตั้งไม่รู้สักกี่ล้านนั้นใครมีเงินเดือนถึงขนาดนี้มั้งมีคนจนก็เราเยอะไปเรามากขนาดนี้มันก็ดีแล้ว คกอการเทียบนั้นมันไม่จะ่เทียบเฉพาะพุ่งไปข้างหน้ามันต้องเทียบทัวคนอื่นด้วยเพราะเราอยู่ร่วมกันในสังคมหลายพวกนีความรุนแรงต่างๆที่ถูกกระทบกระทนันถูกด่าว่าถูกเสียดสีสารพัดนะที่จะเล่นมาก็ต้องใช้ความอดทนเอาว่ายังมีเรื่องที่แรงกว่านั้นอย่างเรื่องของพระบุญนาเทระที่ท่านจะไปในเมืองสุนาบรันตะ พระเจ้ารับสั่งว่าเธอไปไม่ได้หรอกปุณณะเธอจะไปได้หรือปุณณะเมืองบางคนนั้นขุดก็ดุนะนักเลงยะ่านบอกว่าท่านไปได้พระเจ้าก็ตั้งปัญหาให้คิดที่เคยเล่ามาคราก่อนนานมาแล้วเนี่ยว่าถ้าเขาด่าเธอจะคิดยังไงแต่ก็บอกว่าถ้าเขาด่าก็ดีกว่าเขาคว้างป่าด้วยก้อนดินเขาคว้างป่าด้วยก้อนดินเธอจะคิดยังไงก็ดีกว่าเขาคว้างป่าด้วยก้อนหินคว้างป่าด้วยก้อนหินคิดยังไงก็ดีกว่าก็ตีด้วยไม่พลอง ตีโดยไม่พร่องจะคิดยังไงก็ดีกว่าเขาฟันโดยศาสตราแล้วก็ฟันโดยศาสตราจะคิดยังไงก็ดีกว่าเ้าฆ่าให้ตายมันยังมีอะไรดีกว่าขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้าเขาฆ่าให้ตายก็ดีเธอจะคิดยังไงนั้นก็บอกว่าดีดีกว่าฆ่าตัวเองมันมีมีเยอะไปคนบางคนอยากตายจนถึงก็หาคนฆ่าให้ไม่ได้ต้องลงทุนฆ่าตัวเองนี่ก็อยู่สบายๆเพื่อนมาฆ่าให้มันก็ดีขนาดไหนแล้วก็ยังมีเรื่องที่แรงกว่าแต่ก็ยังมีเรื่องที่ดีกว่า เราก็มาอยู่ขนาดนั้นคนอื่นที่แรงกว่าเขาก็าเจอเรื่องที่แรงกว่าเขาก็อยู่ได้เรามาเจอขนาดนี้ก็ต้องอยู่ได้เหมือนกันแต่คันตินั้นจะเห็นว่าก็มีอยู่หลายชั้นโดยเฉพาะในกรณีของการเกี่ยวข้องกับบุคคลทรงแสดงคนไว้สามประเภทที่บุคคลจะต้องใช้คันติในกรณีนี้ก็คือคนประเภทที่สูงกว่าเรา เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีอำนาจวาสนาบารมีมากกว่าเราเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็ใช้คันติกับท่านพอสมควรจะไม่ต้องออกแรงมากอะไรคือปกติก็ยอมท่านอยู่แล้วใช้คันติไม่ต้องมากก็ทนได้ประการต่อไปก็คือคนเสมอกันที่เราสามารถจะต่อสู้จะโต้อตอบจะทำอันตรายต่อเขาได้แต่ก็พิจารณาเหตุทโทษของการกระทาเช่นนั้นแล้วก็อดทนเอาไว้ อันนี้ต้องใช้กำลังขันติสูงขึ้นคนประเภทต่อไปก็คือคนใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาลูกน้องสารพัดเด็กเล็ ก, ลกอะไรเนี่ยพวกนี้จะต้องใช้มากแต่ว่าเด็กนั้นเราก็ไม่ใช้มากเท่าไหร่เพราะเราถือว่าแกไร้เดียงสาแต่ผู้ใต้บังคับบัญชาลูกน้องนักการพันโรงเสมียนอะไรอะไรเนี่ยจนผู้ใต้บังคับบัญชาก็าต้องใช้มากในกรณีนี้ถ้าที่สังเกตนั้นคือคนมกกักจะไปเล็งผลเลิอด เขีนว่าตัวเองคิดได้ยังไงทําได้ยังไงสมียนการพันโรคแกควรจะ ค, คิดได้ทําได้อย่างนั้นโดยไม่ได้นึกว่าถ้าแกคิดได้อย่างนั้นแกก็ไม่เป็นอย่างที่แกเป็นที่แกเป็นอย่างที่แกเป็นเพราะแกไม่คิดแกคิดไม่ได้อย่างที่เราคิดเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับสภาพยอมรับมันก็ได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วก็ยังมีคนที่แยกกว่านี้ก็อย่ไปเราก็ได้คนมาขนาดนี้ก nope. ็ดีเท่าไร่แล้วนี่ก็ต้องมีวิธีเขาเรียกมีอุบายวิธีในการคิด เพืทำจิตใจของตนให้สงบงให้สบายให้ได้ในทางพุทธศาสานานั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงขันติไว้ในขั้นตอนต่างๆเช่นขันติห้ามไว้ซึ่งความผุนผันความพรีพรามบู้๋วามต่างๆขันติเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์เป็นกำลังของผู้ภาคเพียรเป็นตบะของผู้ประพฤกพ์นี่ก็เป็นเรื่องของขันติที่ยกย่องไว้ในที่ต่างๆ ว่ตลอดระยะเวลาชีวิตของคนเรานั้นเราจะต้องมีธรรมะเหล่านี้เป็นหลักใจอยู่ตลอดไปแต่ยิ่งเวลาปฏิบัติขึ้นสูงนั้นไม่ใช่อดอดทนเฉพาะอารมณ์ที่ไม่ดีอย่างเดียวนะฮะมันต้องอดทนอารมณ์ที่ดีได้ด้วยคือไม่แสดงอาการฟูขึ้นฟุบลงบางคนพอได้ลาบแล้วก็เคยฉลองกันใหญ่ได้เลื่อนยศกันทีนึงก็แห่พัดไปไม่รู้จะกี่โล ขนรถผลราบเรืองน้ำมันเรื่องคนมาเยอะแยะไปนั่นก็คือไม่อดทนต่ออารมณ์ที่น่าปรารถนาแเราจะมองมักจะมองในแง่ครั้งว่าจะต้องอดทนต่ออารมณ์ที่ไม่ดีที่จริงดีมันก็ต้องอดทนนะครอดทนได้เพราะเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่ต้องไม่แสดงอาการขึ้นขึ้ น, นลงลงทั้งในายามประสบความสุขและในายามประสบความทุกข์เพรา ะ, ะนั้นคันติความอดทนจึงต้องอดทนต่ออารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาคือไม่รู้อํานาจแก่อารมณ์เหล่านั้น ควบคุมจิตใจของตนได้บางครั้งท่านเรียกวิธิซึ่งแปลว่าก็มีปัญญาด้วยมีปัญญาเข้ากํากับในการอดทนไม่ใช่ว่าอดทนกันเรื่อยทุกกรณีไปมันอดทนเพียงสกรณีเท่านั้นเองหรื อ, ห ร, อหรือเราอาจจะพูดเพียงสามกรณีก็ได้ที่เราพูดว่าทนลําบากจากตามเจ็บกายเจ็บใจนะเราพูดคล้องจองกันอยู่อย่างเงี้ยทนลําบากจากตามเจ็บกายเจ็บใจซึ่งก็หมายความว่าสองข้อแรกก็รวมก็เป็นข้อเดียวแต่เรากระจายออกไปเป็นสข้อก็ได้ แต่แสดงว่าต้องอดอดทนในขอบข่ายเหล่านี้เท่านั้นไม่ใช่อดทนไปทุกกรณีลูกหลานประพฤติปฏิบัติไม่เรียบร้อยก็ไม่แนะนําสั่งสอนอดทนเอา อ, อย่างนี้ไม่ได้หรือว่าเที่ยวจ่ายใช้จ่ายสุรีสุร่ายฟุ่มเฟือยก็อดทนเอาอย่างนี้ก็ปล่อยลูกกันไปใหญ่ต้องใช้ให้เป็นธรมนธรมะนิธรรมานุธรรมะปฏิบัติอย่างที่บ้ามาแล้วในข้อนี้ทรงแสดงว่า เป็นธรรมะเครื่องทำให้บุคคลงดงามแต่การงดงามนั้นก็มีอยู่สองข้อได้โปรดเข้าใจนะฮะคันติโสรจจะหิริโอตปะสติสัมปชัญญะนั้นพูดข้อเดียวก็คือพูดสองข้อเหมือนกันจะจะพูดถึงหรือไม่ไม่พูดถึงเป็นอาการต่อเนื่องถึงกันพูดข้อใดข้อหนึ่งก็ชื่อว่าพูดอีกข้อหนึ่งได้ท่านจึงในที่นี้ทรงเน้นว่าโสวจัตสตา โสว จ, จัตขันติจะโสว จ, จัตสตาแสดงว่าไอโ้โสรจจะเราก็ไม่ต้องพูดแล้วนะฮะไม่ต้องพูดแล้วพูดขันติอย่างเดียวก็พอแล้วทื่ว่ามีโสรโสรจจะคือความสงบสงเงียมด้วยความสงบเสงี่ยมนั้นเป็นอาการเป็นการพิสูจน์ถึงความมีขันติเท่านั้นเองได้แก่กันสมมติเราไม่โกรธอดทนเรื่องไม่โกรธได้ ไม่ปรากฏแม้ในกิริยาท่าทางไม่ปรากฏแม้ในสายตาและไม่ตกค้างอยู่แม้ภายในจิตใจอาการก็ปกติไม่แสดงวิการกายวาจาให้ปรากฏนั่นก็คือความสงบสุเงียมเรียบร้อยสุภาพอดโยนความเสมอต้นเสมอปลายที่ปรากฏแก่สายตาบุคคลอื่นได้เพราะว่าความอดทนเพียงอย่างเดียวก็บางทีมันก็ดูไม่ออกเหมือนกันคนนี้เขาไม่โกรธนะแต่บางทีพยาบาทแต่วันหลังในตัวมึงจะแก้แค้นให้เข็ด อย่างนั้นก็ไม่แน่เหมือนกันดังนั้นในความสงบสงเสงี่ยมนั้นจึงเป็นตัวพิสูจน์ขันติอีกทีหนึ่งว่ามีขันติจ ร, จริงๆหรือไม่ครนี้ดูเหมือนเคยเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งนะฮะเรื่องเรื่องนางเวเทกาที่เป็นที่ยกย่องของบุคคลทั้งหลายว่ามีขันติมีความสงบสงเสงี่ยมเป็นคุลสตรีเป็นสุภาพสตรีมีความสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนแต่นางทาสีก็ไม่ค่อยเชื่อน้ำมนต์เท่าไหร่เพราะว่าต่างคนต่างก็โอ๊ะ เอาใจจนในที่สุดก็ทดสอบด้วยการนอนตื่นสายทั้งสามวันที่ล่ลากับฟังวันแรกก็เสียงดังขึ้นวันที่สองก็ด่าวันที่สามตีหัวแตกเลยนี่แสดงว่าขันติไม่จริงไม่มีความมั่นคงจริงจงเพียงแต่ไม่มีอะไรกระทบเท่านั้นเองเรื่องขันติกสุรจะจึงต้องมีบทมาพิสูจน์ประการหนึ่งคือมีอารมณ์อะไรเช่นปรากฏวิกฤตการอะไรขึ้นมาแล้วก็ไม่หวั่นไป อย่างที่ทรงแสดงว่าอุกเทศสุรมิสันติเมื่อภาวะวิกฤตนั้นต้องการคนกล้าคนที่เข้มแข็งคือไม่อ่อนไหวแต่เป็นความอดทนซึ่งเป็นคุณธรรมภายในไม่ใช่เป็นการแสดงอ่อนแอออกมาภายนอกอย่างที่โบราณท่านสอนว่าจงเป็นคนอดทนแต่ก็ไม่ใช่เป็นคนที่อ่อนไหวได้ง่ายๆคือมีความเข้มแข็งนั้นอยู่ภายในจิตใจแต่แสดงภายนอกนั้นก็แสดงความเป็น สงบเสงี่ยมไม่จะออกมาในรูปของอ่อนแอนะฮะไม่จะกลายเป็นการอ่อนแอไปแล้วบอกว่าเป็นคนสงบเสงี่ยมเรียบร้อยนั่งกว่าจะลุกได้สักทีก็แหมพลิกแพ้พิกผอย่างนี้ไม่ไหวอกันะคุณธรรมทั้งสองประการนี้ส่งแสดงว่าเป็นธรรมะที่ทำคนได้งามถึงความงามของคนก็มีอยู่มีอยู่สีชั้นนะฮะมีอยู่สีชั้นด้วยกัน ชนแรกเป็นความงามที่เกิดขึ้นจากการตกแต่งประดับประดาด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ซึ่งนิยมกันในยุคในสมัยในสังคมนั้นๆก็กําหนดแน่นอนตายตัวลงไปไม่ได้แล้วก็ขึ้นขึ้นกับวัยของบุคคลขึ้นกับยุคสมัยของยุคสมัยที่มีการนิยมกันแล้วขึ้นกับภูมิประเทศต่างๆที่เขายอมรับการแต่งตัวตอนนั้นว่าสวยงามหรือไม่บางทีก็ขึ้นอยู่กับกาลเทศะด้วยอย่างแต่งชุดจารีไปเดินอยู่คัร น, นาเพื่อนก็โหหาป่าเอาเท่านั้นเองทั้งๆ ท, ท, ที่ลงทุนทั้งหลายพัน อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอีกเยอะแยะแต่ดำรงอยู่ไม่ได้นานอะไรเท่าไหร่เพียงไม่กี่ชั่วโมงก็เปลี่ยนแปลงเสื่อมไปก็ต้องเปลี่ยนกันอยู่ด้วยความงามชั้นที่สองนั้นเป็นความงามในด้านสวดทรงสันฐานที่ท่านยกตัวอย่างว่าเป็นผลของบุญญาณิธิย่นสุวรรณตาสุสรตาสุสันธานางสุรูปตาสุวรรณตาก็มีผิวงามสุสราตาก็มีเสียงดีสุสันธานางก็สวดทรงดี รูปรตารูปกามก็ว่าหมดทั้งรูปเลยนั่นก็เป็นความงามในด้านรู ป, ปรธรรมซึ่งก็เป็นที่ต้องการของบุคคลทั้งหลายในชั้นหนึ่งแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ในแง่ของสัจธรรมมันก็มีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปได้ความงามชั้นต่อไปก็คือกิริ ย, มยามรญญาตความเป็นพูดดีอยู่ในระเบียบปินาอยู่ในกฎเกณฑ์ควบคุมตัวเองไว้ได้นี่ตรงนี้ท่านจะเห็นว่าขันติมันก็มีเยอะนะ เนาการนั่งการรายนี่เราก็ปวดเราก็เมื่อยก็ธรรมดาแต่ต้องสงบส ง, งยมไว้เพื่อรักษาสถานะให้มีความงดงามสร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองในชั้นที่สี่ก็คือความงามที่เกิดขึ้นด้วยคันติสุระจะอย่างที่กล่าวแล้วคือมีคุณธรรมภายในใจอพอจนถึงจุดนี้ท่านก็ได้แสดงว่า โบราณ น, นะฮะโบราณรู้สึกว่าจะเป็นประกรณ์มาจากสันสกฤตเป็นภาษาสันสกฤตแต่คนคนไทยเราก็มาแปลเป็นกรว่าใจงามด้วยความรู้ดูว่างามพระนามเสียงหญิงสวยด้วยคู่เคียงสัตว์ของเลี้ยงงามพระผีพระจานทร์อันแจ่มฟ้างามสง่าพระราตรีบรนประชิดทั้งปวงมีถือขันติงามพันนารายจะหมายความว่าคนที่จะประพฤติปฏิบัติอะไรนั้นหลักขันติเป็นพื้นฐานใหญ่ ก็ไม่ได้เจาะจจงว่าจะต้องเป็นปรับพระจิตเสมอไปแล้วขันตินั้นเป็นอุปการธรรมในที่ทุกสถานได้ใ น, ในการทุกเมื่อข้อต่อไปคือโสวจัตตาแปล ว, ว่าความเป็นผู้ว่างง่ายสอนง่ายเป็นลักษณะพื้นจิตของบุคคลที่มีความอ่อนโยนต่อเนื่องกับคารโวจนิวาโตจะข้างต้นแต่ว่าออกมาในด้าน กิริยาอาการที่ปรากฏและก็พื้นฐานทางจิตใจที่พร้อมจะยอมรับนับถือไปเชื่อฟังบุคคลอื่นเพราะการศึกษาการปรฏิบษษัติการพัฒนานั้นก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยพื้นอัธยาศัยของบุคคลเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายคือยอมรับฟังการพูดจากัน ร, รู้เรื่องถ้าพูดจากันไมเรื่องมันก็เป็นอับประมงคมมันก็เดินไม่ได้ครนี้ไม่ต้องดูอื่นไกลนะฮะแม้แต่ ตอนพระพุทธเจ้าไปพบกับปัญจพักคีตอนนี้ก็ว่ายากสอนอยากตอนแรกก็พูดกันไม่รู้เรื่องก็เลิกพูดกันไปปล่อยให้ท่านไปคิดต่อสู้ปัญหากันจนในที่สุดท่านอยู่ในสภาพที่พร้อมจะรับฟังที่บาลีดั้นใช้คำว่าโอวาดัคำโมคือให้ความสําคัญแก่โอวาทยินดีอดทนต่อโอวาทคําสั่งสอนของบุคคลอื่นมองเห็นการแนะนําสั่งสอนของบุคคลอื่นว่า เป็นเหมือนการชี้บอกผมทรัพย์ให้อย่างที่บอกให้ฟังว่าปัญหาของคนโดยเฉพาะคือผู้ที่บวชนั้นปัญหาใหญ่ของก็เราเป็นเรื่องของการชี้แจงกับรมแนะนําสัง่งสอนกันแต่ว่าท่านเกิดความกระด้างแข็งกร้าวเกินไปโดยเฉพาะคือพวกที่มีอายุมากๆพระพุทธเจ้าแสดงไว้เองนะฮะแต่แสดงไม่ใช่แสดงในรูปปฏิเสธแสดงเห็นว่าไม่เหมาะที่จะบวช ก็คนที่แก่มากเกินไปแล้วท่านเองดูเหมือนจะรู้สึกเพราะงั้นถ้าที่ใดมีดวงตาหลุดเข้ามาสักองค์แล้วก็ยุ่งพอทั้งขวรเหมือนกันประปุครองกันไม่ได้ว่ากล่าวกันไม่ได้พระผู้ใหญ่ภายในวัดแม้จะเป็นเจ้าคุณแล้วมันก็มองอายุก็รุ่นลูกหลานแก่พูดจาอะไรกันไม่ได้เลยเสร็จแล้วท่านก็จะขู ว, ว่าฉันอาบน้ามาก่อนคุณก็จบเลิกพูดกันเอ่อดังนั้น ปัญหาข้อนี้จึงเป็นปัญหาใหญ่มา้างพระผู้มีพระภาคเจ้าเองนั้นจะจะเห็นได้ว่าคําสอนที่เน้นไปในเรื่องนี้นั้นมากด้กันเพราะต้องยอมรับนับถือเชื่อฟังแต่ถ้าหากว่าเป็นคนว่ายากสอนยากแล้วก็เดินหน้าไม่ได้เลยจนถึงกับอะไรนะครับในพิธีกรรมทางศาสนาท่านคงแต่ว่าชาวบ้านไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมเขาเรียกว่าปาวารณากรรมนะ ประนากรรมที่เราทําตอนออกพรรษาในปรณะณามกรรมนั้นก็บอกไว้นะข้าพเจ้าขอประณาต่อสงฆ์สงฆ์ได้เห็นก็ตามได้ยินก็ตามรังเกียจสงสัยก็ตามเห็นการถึงการกระทําที่ไม่เหมาะไม่ควรของกระผมแล้วก็ขอสงฆ์ได้อกรดกรุณาว่ากล่าวอนุเคราะห์ตักเตือนแก่กระผมด้วยกระผมจะได้คำรวมระวังต่อไปนะฮะก็ว่าบ่ากันไปอย่างนั้นเป็นพิธีกรรมประานาเสร็จออกมาโบกบท ออกมาจากโบสถ์พิธีเตือนหน่อยเดียวตาเขียวปัดแล้ว ก, ก็เป็นพิธีกรรมเป็นเรื่องใหญ่นะฮะพระพุทธเจ้าเลยต้องวางไว้ในรูปของพระวินัยเช่นพระบางองค์ตักเตือนอะไรเถียงมีมีวินัยปรับไว้สมับเถียงบางองค์ถือว่าเถียงปรับอาบัติไม่พูดไม่พูดก็ปรับอาบัติอีกก็ถือว่าหัวดื้อมันก็ด้างอีกแบบหนึ่งปรับอาบัติไว้หมดเลยมันก็ด้างนะฮะ คนตรงนี้เป็นเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะงั้นถ้าใครหลุดขึ้นมาเป็นผู้ว่างง่ายสอนง่ายก็เป็นอุดมมงคลจริงๆไงพระพุทธเจ้าได้ยกตัวอย่างพระราธะเถระซึ่งเป็นพระผู้เท่าที่พิเศษคือฉันบวดตอนแก่แต่กลายเป็นผู้ว่างง่ายสอนง่ายพระพุทธเจ้านำมายกย่องในถ้ำกลางสงแล้วก็ให้เป็นเอตัคขะประเภทหนึ่ง ก็เรียกว่าเป็นยอดของภิกษุทั้งหลายผู้ว่าง่ายสอนง่ายออจนมาถึงอะไรกรณียเมตตาสูตรอะไรข้างออที่ที่เคยเล่าให้ฟังถึงอาวุธของธรรมะนานมาแล้วนะฮะไ อ, อความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายก็ต้องมีนาฏกรณธรรมทำเป็นที่พึ่งสิ ป, ประการนะฮะหลักที่พึ่งทางใจสิ ป, ประการก็มีสุวัจจตาอยู่ด้วยความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายนี่ยก็เรียกว่ามีอยู่ทุกแห่งฮะไปจ่อไว้ทุกแห่งเพราะเป็นเรื่อง ของพัฒนาการในด้านต่างๆถ้าคนเรามีความก้าวร้าวมีความกระตั้งไม่ยอมรับนับถือ ต, ตักเตือนอะไรนิดๆหน่อยๆก็โกรธเป็นคนที่มีแผลใจบางคนที่ปัญหาซึ่งเกิดขึ้นจนมาปลายพุทธกาลนะฮะปลายพุทธกาลที่ท่านคงจะเคยได้ยินสุภัทโอุทัพอิจิตกราวช่วงจ่าพระธรรมวินยัยเป็นเหตุสังกา น, นาครั้งที่หนึ่งนะฮะอันนั้นก็เหมือนกันนะฮะหลวงตาบวช ดวงตาบวชตอนแก่แต่งตัวพระรุงพระรางข่มจีวร อ, ออกจะเขียวๆนะมันไม่จะเป็นผ้ากาสาวะแล้วพอพระพุทธเจ้าสเสด็จก็แกแต่งตัวไม่ก็เรียบร้อยอ่มีมีรัดเอวคือพระธรมธรรมแองกันตระธรมธรรมแงทํางานคล่องจากการต้อนรับพระพุทธเจ้าวุ่นวายอย่างนอกวัดนะพระเจ้าเรียกมันดุเลยแล้วนั่นก็โกรธผูกใจเจ็บตอนนั้นทําอะไรไม่ได้ไม่กล้าพูด พระพุทธเจ้านิพานเลยได้ทางเลยเล่นงานเต็มดีเลยตายจะได้ก็ดีงั้นเนี่ยก่อนวุ่นวายนะเราทําอะไรก็ห้ามอย่างงั้นควรอย่างนี้ไม่ควรต่อไปสบายแล้วเราจะทําอะไรก็ทําไม่ทําอะไรก็ไม่ทำเนี่ยนี่คือเกิดมาจากความกระด้างนะครัเกิดจากความกระด้างของท่านท่านไม่ยอมเชื่อฟังถ้อยคําโอวาทของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปลุกใจเจ็บรลือดเรื อ, ร อ, รอมาราธรอนมาเลยดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงว่า บุคคลพึงเห็นผู้กล่าวโอวาทแนะนำตักเตือนนั้นเหมือนการชี้บอกคุ้มรัพย์ให้และควรทำตามบุคคลผู้นั้นด้วยความเอื้อเฟือ้อการแนะนำดีเป็นลักษณะของบัณฑิตบัณฑิตย่อมแนะนำคนที่ควรแนะนำย่อมไม่แนะนำในเรื่องที่ไม่ไม่แนะนำ เพราะงั้นบุคคลเมื่อปฏิบัติตามถ้อยคำของบัณฑิตผู้กล่าวสอนอยู่โอวาทอยู่แนะนำอยู่พร่ำชี้แจงอยู่ก็ปฏิบัติตามไปแล้วก็จะประสบความเจริญก้าวหน้าในข้อต่อไปสมนานันจะดัสนังนะฮะการพบเห็นสมณะเป็นอุดมมงคลปัญหาข้อ น, นี้เรามักจะอธิบายแล้วไปด่าพระต่อ คือบอกก็เห็นพระบางองค์ก็ไม่เรียบร้อยก็ไม่เป็นมงคลดังนั้นเราพูดในรูปแบบนะฮะสมณะนั้นแปลว่าผูซ้ซดสงบทําไม่ส ง, งบมันก็ไม่ใช่สมณะมันก็เท่านั้นเองไม่ต้องไปพูดอะไรมากแล้วเป็นการพูดถึงคุณธรรมภายในใจของบุคคลผู้นั้นคือใครก็ตามที่มีความส ง, งบอาจจะเป็นญาติโยมเองมันก็เป็นอุดมมงคลในการพบการเห็นการเกี่ยวข้องมีกายส ง, งบมีวาจาส ง, งบ เราก็ได้ยินเรื่องที่สบายหูมีกิริยาอาการสงบเราก็ได้เห็นรูปที่สบายตาได้ทราบเรื่องที่สงบเราก็ได้เรื่องที่สบายใจพวามสมณะในความหมายนั้นหมายถึงผู้สงบสงบอะไรก็มีกายสงบมีวาจาสงบซึ่งสะท้อนมาจากใจที่สงบภาพสมณะเหล่านี้ถือว่าเป็นเทวทูตประเภทที่4ี่ทท่านเคยฟังเรื่องราวในพุทธประวัติมาแล้ว กรณีจะเห็นได้ว่าเมื่อบุคคลไปพบเห็นท่านเหล่านี้แล้วทำใจให้เกิดความศรัทธาเรื่มใสขึ้นมาการรู้ปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นก็ก้าวหน้าไปได้อย่างที่อุปการจีบกเกิดความเรื่มใสในพระพุทธเจ้าหรือว่าพระอุปติสสะปริพาชกกับโกริตะปริพาชกที่ ที่เรื่อมสายการเดินบิณฑบาตของพระราชจิเทระหรือราชกษัตริย์เสด็จีเรื่อมสายพวกพระที่กำลังข่มจีวรกันอยู่ที่จริงห่มจีวรกิริยาไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะมันก็ห่มจีวรก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเนี่ยถ้าจะไม่แปลงมืออะไรมันก็ข่มอะไรไม่ได้ก็เบมือนกับอะไรเหมือนกับตอน สังขารนาครั้งที่หนึ่งนะฮะมีการตําหนิพระอานนท์เถระเรื่องหนึ่งที่จริงห้าเรื่องนะฮะเฉพาะเรื่องนี้เราออกแกําที่สุดเลยเดีอบอกว่าพระอานนท์เวลาเย็บจีวรของพระพุทธเจ้านั้นใช้เท้าหนีบใช้นิ้วเท้าหนีบจีวรไม่มีความเคารพต่อพระพุทธเจ้าพระอานนท์ท่านบอกกับหมาก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันนะนะท่านก็มีมืออยู่สองมือนะมือหนึ่งก็จับอีกด้านหนึ่งมือหนึ่งก็จับเข็มอีกด้านหนึ่ง ได้ใจให้ทํานทำยังไงมันก็ไม่มีคนช่วยถือท่านก็ต้องเย็บอย่างนั้นไม่ใช่่าทำด้วยความไม่เคารพอะไรแต่ว่านั้นเป็นงานที่จะต้องทำอย่างนั้นเองนี่ก็คือบางครั้งบางคราวเราก็ไปไปตั้งแง่ตั้งมุมกันมากเกินไปข้อสำคัญว่าเมื่อพบเห็นและทำจิตใจให้สงบให้เกิดศรัทธาเลื่อมายก็เป็นอุดมมงคลทีนี้แม้แต่ว่า กิริยาอาการบางอย่างที่ไม่เหมาะไม่ควรนะฮะอย่างพระนางมาริกาเทวีพระนางมาริกาเทวีนี่ท่านเชื่ชูพระมากไอ้ปฐมเหตุที่พระพุทธเจ้าบัญญัติห้ามพระว่ายน้ำนะฮะก็เกิดจากพระนางมาริกาคือพระไปลงแม่น้ําแม่น้ํำมจีรบดีนะฮะก็ใกล้พระราชวังท่านก็ทอดพระเนตรไปทางช่องพระแก่ช่องพระแก่ก็กราบทูลพระเจ้าเปรตในโกศล บอกว่านี่มาดูพระอาหารหันต์กำลังเล่นน้ํากำลังไหว้น้ําพระเจ้าประเสริฐในโกศลท่านจังหวจะตัดปัญหาบอกว่าพระคุณเจ้าท่านจะสนุกสนานของท่านบ้างกับช่างท่านฮรแต่ว่าท่านก็เป็นห่วงเป็นใหญ่าศาสนาเลยก็ให้คนไปนิมนต์พอท่านเหล่านั้นเล่นน้ํากันเสร็จ อ, อาบนา้ําในคลองนะ่าอาบได้นะฮะแต่ไหว้ไม่ได้เว้นไหว้แต่ เป็นไหวแต่เรือแตกอะไรนะฮะไม่ต้องเคร่งวินัยรักไหว้เลยือไหว้ได้เลยก็มีข้อแม้อยู่ทั้งหมดแหละไม่ใช่ว่ามัวเคร่งวินัยไหวไม่ได้กลัวต้องอาบัตแล้วก็เรียบร้อยพอดีก็พระเจ้าประเรสริฐในกุศลท่านก็ให้มาเล็กไปนิมนต์มาแล้วถวายน้ําอ้อยงบไปถวายพระพุทธเจ้าฝากนะฮะถวายท่านเหล่านี้ด้วยแล้วก็ในที่สุดก็นิมนต์มาให้ันในวางแล้วก็ถวายอ้อยงบฝากไปถวายพระพุทธเจ้า ท่านเหล่านั้นก็ต้องไปะไปแล้วพระเจ้าก็ต้องถามว่าทำไมข้าไปในวังทำไมนะท่านก็ต้องล่าพอเล่าแล้วมันลงไปถึงแม่น้ําจะได้พ <c oughs> ระเจ้าก็ปรารรเพศนี้นั่นคือวิธีฟองที่นิ่มนวล น, นะฮะาจะเห็นว่าอคนสมัยก่อนก็ทําดยเมตตาจิตจริงๆไม่จะทําให้พระก็พระก็ไม่เสียหน้าอะไรไม่ได้เป็นแตชี้หน้าด่าพระจายนในอะไหรผิดกัสมัยนี้จะเขียนัจดหมายด่าพระแล้วก็มันอารมณ์นักเกินเนี่ยดา่าจะไม่มีบอกว่าพระที่ การประพฤติปฏิบัติของพระที่เป็นอยู่เนี่ยมีส่วนในทําให้ศีลธรรมตกต่ําพระไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีวันก่อนนี้คนระดับบริหารยันสูงนะถามอย่างงี้ามาถามมาคุณจะเอาจริงไงจะให้พระเป็นแบบอย่างนละ้คุณเดินตามได้แหละพระไม่มีเมียนะคุณเลิกมีได้เปล่าพระไม่กินข้าวเย็นนะไม่ดื่มเหล้านะเอาไหมเอาหรืเอเปล่าคุณพูดไม่มีความรับผิดชอบเพราคนละแบบกันนะฮะแบบพระเป็นแบบผู้ไม่ครองเรือน ไม่ได้เป็นแบบอย่างอะไรทางโลกกับชาวบ้านนะแล้วพระไม่ได้ไปอยู่กับชาวบ้านอะไรนอยู่ในวัดอ่ะทำไมจะต้องไปโยนแม่ให้พร่ความเสื่อมทามทางสังคมพระเป็นคนนิดหน่อยในสังคมนนั้นเองเราเห็นว่าพระน่ะคนละแบบกันนะฮะแต่โยมจะเรียนแบบพระก็ต้องโกนหัวบวชนะพระไม่ได้เป็นแบบสมัครชาวบ้านพระเป็นแบบในหมู่พระเท่านั้นเองแต่เราจะเกิดศรัทธาเลื่อมใยก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสแต่จะเรียนแบบพระไม่ได้หรอกชาวบ้าน เย็นแบบพระเอาอย่างเดียวนไม่กินข้าวเย็นก็เหงาแล้วห่วยวายใหญ่แล้วท้องไม่ดีสุขภาพไม่ดีมันมันคนละแบบกันนะเราเราเราหลงประเด็นในการดารงชีวิตเฉยๆแล้วเราก็พูดเรื่อยๆไปามาถามอย่างนั้นเลยเงียบเลยไม่กล้าตอบเลยถามว่าใครใครถามเนี่ยเขาเขาเขียนมานะฮะไม่มีใครตอบันเลยบางเอาไม่ล่ะจะให้พระเป็นตัวอย่างให้แล้วคุณเดินตามพระทุกอย่าง เพงก็ไปไม่ได้บางคนแล้วเรื่องกนลวินัยกันนะฮะพระกับชาวบ้านบางคนละวินัยกันวินในคนละระดับกันร ะ, ระดับของพระนั้นเป็นวินัยของผู้ไม่ครองเรือนระดับชาวบ้านนั้นเป็นวินัยของผู้ครองเรือนคนละชั้นกันแม้แต่ศีลข้อที่สก็ปฏิบัติไม่เหมือนกันนะฮะทีนี้การพบเห็นประเด็นสําคัญก็อยู่ที่ว่าเราศรัทธาเลื่อมายได้ เราก็มองด้วยความให้อภัไยได้แม้ในกรณีที่ว่าพระไม่ค่อยเรียบร้อยนะฮะไปเจอพระไอ้หลวงตุงนางกระบังองค์ก็ก็ช่างท่านนหะ ก, ก็เหมือนกันหลวงพ่ออะไรองค์นะ่ยพอพอเด็กพอพระไม่ค่อยจะเรียบร้อยตอนนั้นจะอะไรก็พระพระมัคือเนสนันแหละพอเจอเนไม่เรียบร้อยตอนบอกเอามัไร่กันเนเนสมันคือเด็กกันแล้วพอเด็กไม่เรียบร้อยตอนบอกเด็กมัคือหมานั่นแหละเนี่ยอะไรั คือมันคือมันก็คิดคิดไปได้เลยนะฮะให้อภัยได้เรื่อยนี้หลวงพ่อท่านอยู่ท่านเป็นร่มพานอยู่ต่างจังหวัดต่างภาคอีสานนัเพราะงั้นท่านท่านท่านท่านเข้าใจท่านให้อภัยได้มีหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านมาจากต่างจังหวัดท่านไปเก็บลูกชาวบ้านนะฮะชาวบ้านที่มาฝึกปลืออบรมส่งเสียให้เล่าให้เรียนท่านท่าน พัฒนาคืออยู่เป็นมหาจนแก่นะองค์เนี้ยแล้วก็เอาพระเนรบางองคมาเอาไว้ในวัดกรุงเทพสมภารในกรุงเทพก็ต่อว่าพระท่านมหาเอาอะไรมาพระไม่ค่อยจะเรียบร้อยเลยทั้งคู่นี้เอามาแต่ละองค์แต่ละองค์บอกว่าผมส่งมาอบรมไงถ้าพระเรียบร้อยแล้วต้องส่งมาอบรมทําอะไรหรอก็ส่งมาท่านอบรมเพื่อให้มันเรียบร้อยขึ้นมา <c oughs> กันเนี้ยคือคื อ, ค, อคือเราก็ต้องยอมรับแต่พระมันก็ลูกชาวบ้านนะ่ะ ชาวบ้านจะเรียบร้อยมาได้ยังไงอะ่ะนอกจากว่าชาวบ้านเกิดลูกเรียบร้อยมาอบรมลูกเรียบร้อยมาพอบวชมงค น, นพระเรียบร้อยเป็นเน้นเรียบร้อยอะ่ะมันก็เรียบร้อยขึนมาเป็นแถวแถวรับผิดชอบร่วมกันกันละกันเพราะงั้นถ้าเราจะให้เป็นมงคลเราเป็นได้ทุกจุดนะเป็นได้ทุกจุดแต่ถ้าใจไม่พร้อมก็เอาเฉพาะในแง่ของคุณธรรมจริงๆเลย เ, เฉพาะการประพฤติปฏิบัติของท่านองค์ไหนที่ไม่เรียบร้อยก็อย่าไปกันละกันแหละ ก, กลัวจะเป็นอัปมงคลเป็นความรู้สึกขุนคล่องมอ ง, มองใจ แต่ถ้าหากว่าเราทําใจได้เราทําใจได้ตลอดไปเราจะเป็นยังไงก็ตา่างเราจะมองด้วยความเมตตาให้อภัยที่พระเจ้าทรงแสดงเรื่องทิศโกนะฮะทิศโกสมัครชาวบ้านแล้วเนี่ยเมตตากรรมมังบจีกรรมังโมกรรมมังเลยทั้งสามกรรมังนะฮะต้องเมตตาทางกายเมตตาทางวาจาเมตตาทางใจยอมรับว่าพระนั้นก็คือลูกหลานชาวบ้านดีบ้างไม่ดีบ้างก็เหมือนกับชาวบ้านนั่นแล้วมันก็ผิดผลกับสังค ม, มก็ทําใจได้ ตลอดรายการก็สามารถที่จะทําใจให้ประสบสิ่งที่เป็นอุดมมงคลขึ้นมาได้ที่นิการเลนธรรมะสกักฉาการสนทนาธรรมตามการสนทนาธรรมตามการนั้นก็พอๆกับการฟังธรรมที่พูดในวันก่อนนะฮะไม่ได้หมายความมายกธรรมะขึ้นมาพูดกันอยู่ตลอดพูดกับญาติโยมก็ไม่ชอบหรออย่างคนที่ไปคุยที่กุฏิชักชวนคุยธรรมะพักเดียวเลยฮะ มีธุระจะกลับลากก่อนไม่ว่างวันนี้ไม่ว่างแต่คุยเรื่องอื่นคุยได้นานหน่อยเพราะงั้นวิธีที่จะโยมกลับง่ายนิดเดียวชวนคุยธรรมะภาคเดียวเสร็จกลับไม่ต้องห่วงแต่ที่คุยได้นานๆไปคุยเรื่องอื่นนะคุยการบ้านการเมืองก็จะต่ออายุอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปเรื่อยๆนะก็อย่างนั้นคูดได้นานๆถ้าคุยเรื่องธรรมะแล้วจะอยู่ไม่นานหรอกเพราะงั้นไอการเรียนธรรมสากร า, านั้นคือพูดเป็นธรรมที่เป็นประโยชน์นะฮะ พูดเรื่องที่เป็นธรรมเป็นประโยชน์จะจริงๆมันก็เป็นธรรมะอยู่แล้วนะฮะเป็นธรรมะอยู่แล้วคนฟังได้รับประโยชน์จากการพูดการสนทนาการคุยกันในแต่ละครั้งแต่ละคราเพราะเวลามันก็คล้ายๆกับการฟังการฟังนั้นก็เป็นเรื่องที่เราเข้าไปฟังในการคุยนั้นก็หมายความว่าคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปเวลาจะพูดจาปราศัยรายรกันก็คุยเรื่องที่เป็นอัดเป็นธรรมเป็นประโยชน์นะฮะ แกบุคคลทั้งสองฝ่ายแล้วพูดในกรณีที่เป็นปัญหาของเราไม่ต้องเอาปัญหาคนอื่นหรอกเพราะปัญหาคนอื่นยิ่งพูดออกไปก็ยิ่งไกลตัวออกไปทุกทีแล้วเราชักจะไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาทุกทีแต่ถ้าหากว่าพูดกันในแวดวงเหล่านั้นมาสนทนามาปราศัยกันอย่างว่าปฏิบัติกรรมฐ า, านก็นมาคุยกันว่าเป็นยังไงปฏิบัติแล้วมันเป็นยังไงบ้างแลกเปลีย่ยนการปฏิบัติ ป, งง ป, ปฏิบัติกันสนทนากันในขอบข่ายของเราผมก็เป็นธรรมะคือคุยเรื่องอะไรก็ตามที่ใจเป็นสงบได้นะ ใจมันสงบได้ไหมฟุง้งซ่านไม่เกิดความเครียดแค้นจิงชังขึ้นมามันก็กลายเป็นการคุยธรรมะทั้งหมดเลยบางทีพระท่านนั่งคุยกันสององคุยกันไปคุยกันมาบรรลุมรรคผลไปได้หมดทั้งคู่นี่เพราะอะไรเพราะจิตใจโน้มน้อมเข้าหากันที่จะเข้าใจเนื้อหาของธรรมะที่แต่และฝ่ววายได้พูดได้จากกันในสมัยนั้นพระเจ้าเองรู้สึกจะควบคุมพระมากในการนีนี้เพราะพระเรานี่ ก็คือลูกชาวบ้านนะครประสบประสบาการณ์นอกวัดมากกว่าในวัดประบวชมาไม่นานจะอยู่กลางนอกวัดมานานกว่าพูดไปพูดบาบระเดี๋ยวหลุดดูดกระแพงวัดออกไปแล้วไปคุยกันข้างนอกนะอย่างพระใหม่นี่พอบวชบวชพอแกเริ่มคุ้นกันไปไม่ว่าวัดไหนก็ตามไปอ่านเทปมาดูแต่ปุยนอกวัดั้งนั้นเนะ่ยในวัดก็ไม่มีนี่ไม่มีวัตถุดิบจะคุยบวชมาไม่กี่วันพระพุทธเจ้าท่านจะคุมนท่านพระไปคุยคุยกันไปแต่เรื่องอย่างเป็นอดเป็นธรรมไม่ว่าอะไรคุยกันไป พอชักจะไม่ได้เรื่องแล้วสเสด็จแล้วลุกขึ้นทําเดินนะฮะทำเป็นเดินดูวัดพระก็เห็นเมาแล้วถึงก็ข้าไปนั่งอคุยเรื่องอะไรกันทำไมหยุดอ่ะพระก็ต้องเล่าให้ฟังพระองค์พระเจ้ า, า, าก็จะต่อให้จะชี้แจงจะดึงเรื่องให้จะสั่งสอนให้เพราะงั้นชาดกห้าร้อยห้าสิบกว่าเรื่องอะตามบทสี่ร้อยกว่าเรื่องพวกเหล่านี้เถราคาถาเถรีคาถาอะไรแนวแนวนี้ จะออกมาจากลักษณะนั้นลัษนาที่พระคุยกันโดยเฉพาะทำบทกับชชาดกทั้งหมดก็พันกับเรื่องพันกับเรื่องจะออกมาแนวเนี้ยพระนั่งคุยกันไปเดียวก็ไปแล้วออกนอกวัดอวกนอกวัดพระเจ้าข้ามาดึงข้าวหาประเด็นนะดึงข้าหาประเด็นแม้แต่นอกวัดก็ดึงข้าหาประเด็ น, น, นวัาานที่เราก็เอาวัตถุดิบนอกวัดเข้ามาเช่นว่าพระไปเจอคนก็ตัดสิน ผู้ภากษาไปกินทั้งสองฝ่ายกินทัของโจทย์ของจำเลยะใครให้เงินมากกว่าตัดสินในฝ่ายนั้นชนะพระไปเห็นมาแล้วก็มานั่งบนมานั่งคุยกันพระพุทธเจ้าก็เสด็จเข้ามาแล้วก็ดึงเรื่องนั้นนะะเข้ามาบางทีไปเห็นช้างตกลมอยู่แล้วก็ก็กขึ้นไม่ได้ปุโรหิตแนะนํำไปเอากรองศึกมาตีช้างก็ขึ้นได้พระก็เอามาเล่ากันในวัดอ้าวพระพุทธเจ้าก็เสด็จมานั่งคุยด้วยแต่แล้วก็ดึงช้างตัวนั้นนะฮะดึงช้างตัวนั้นเข้ามาเป็นธรรมะเลย ว่าช่างศึกเมื่อได้ยินกรองกรองศึกนะฮะสามารถหลุดถอนตัวให้หลุดขึ้นมาจากโคลนลมได้เพราะงั้นเธอทั้งหลายมาเห็นเมื่อได้ยินธรรมะเพรีกรองธรรมกรองธรรมก็ต้องถอนตนให้ห ล, ลุดจากลมคือกามาคุณให้ได้เลยนะลมก็ลมนะฮะลมไอ้นั่นลมลมข้างนอกโคลนข้างนอกก็เห็นกันได้เนี่ยนี่คือวิธีการของธธกุฏิก็ติดตามควบคุมความความคิดโดยการพูดการจาของพระเอาไว้ให้อยู่ในเขตของมุงคล บางครั้งบางคราวมันก็เพี้ยนๆนะฮะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าอุบาติกาเพื่อนนางวิสาขาถึงงานนักขตรรัตฤกษ์พวกเหล้าพวกแขมกมห่มรุงพรมรังนะฮะมันใสเล่ามาได้พวกเล่ามาฟังเทศไปก็ส่งเล่าดื่มกันไปดื่มกันไปดื่มกันมาก็เมาเมาก็ลุกขึ้นรําต่อหน้าพระพุพทธเจนะ้าสนุกสนานกันใหญ่พระเจ้าเห็นถ้าไม่ดีก็บันดาในพุทธานุภาพให้กลางวันเป็นกลางคืนมันมืดเออพวกนี้ก็ตกใจ แล้วก็มีลงแสงพุ่งเข้ามาแล้วก็เริ่มเทศโกนุหาโซโกิมานันโดนี่นีจังปัจจริเตสติอันตากาเรณโอนัทธาปดีปังนักเวสสะตะก็เธอทั้งหลายจะมัวเพลิดเพลินรื่นเรองอะไรกันว่าโลกนี้มันถูกความมืดคุ้มพ่อเอาไว้เธอในขณะที่ความมืดทั้งหลายกำลังคุ้มพ่ออยู่นั้นทำไมไม่สแสวงหาไปที่เป็นเรื่องสองทางชีวิตนี่ก็คือจะเอาอะไรมาทั้งหมด มันชักเพียนๆ เ, เลวจะดึงกลับเข้ามาแล้วก็มาหาธรรมะขณการเลยมาธรรมศากักฉานี่ยคุยเรื่องอะไรก็ได้นะะดึงก็หาธรรมะให้ได้ดึงธรรมาเองยังมีความเห็นว่าพระเราเนี่ยพวกหมอดูพวกแจกพระเครื่องปลกพุ่มน้ํามนต์นี่ใช้ไปเถ อ, เเอรระแต่เอาธรรมะข้าไปหน่อยเอาธรรมะข้าไปหน่อยพวกเล่นตุ๊กตายัางมีแยะบันเราเดี๋ยวเอายังไงล่ะเป็นเลิกเลิกเสียหมดปรดี๋คนก็ทิ้งไปหมดเลยก็เอาเอาวากธรรมะไปเตียนิดๆหน่อย ให้เป็นธรรมสากัจฉาเป็นคติธรรมแน่นอนแนะนําสั่งสอนให้ข้อคิดเป็นประโยคน์เ ล, เล็กๆน้อยๆอะไรต่อะไรไปเนี่ยฮะคือพูดได้เป็นอัดเป็นธรเรียกพูดเป็นอัดเป็นรรมไม่ได้มุ่งสั่งสอนมุ่งเชิญชวนมุ่งแนะนําอะไรก็ตามก็ตามต้องควรแก่กรณีพูดที่เรื่องที่เป็นสาระประโยชน์นะฮะไม่แต่เวลาพระพูดชาวบ้านก็ไม่ค่อยว่าแต่พระพูดก็เรียกว่าดีไรฉ า, านกานัจา เรียจาัญญถาเรื่องนอกเรื่องเรื่องนอกเรื่องตัวเองแต่ถ้าพูดแล้วดึงก็หาธรรมไม่ได้แปลกนะฮะเพราะว่าชาดกเป็เรื่องนอกเรื่องเหมือนกันแหละแต่เสร็จแต่แล้วเราจะดึงก็หาธรรมะทั้ง4ประการนี้ทรงจบลงด้วยคําว่าเอตัมมังคัมุตตัมังเหมือนกั น, นะฮะต่อไปก็เป็นมงคลชุ ด, ดรองสุดท้ายนะฮะคือตะโปจะพระมจริยันจะอริยสัจานัตสนานิบานาสัจกิริยาจะเอตัมมังคัลมุตตัมมัง นี่นีนนบันไดสานะฮะตรงนี้ขึ้นบันไดสมแล้วบันไดามาถึงชุดก่อนนั้นคือสมณนะนั่นเอกาเลนะธรรมสากัะชาเอตมังกาลมุตตมังนั้นเป็นพัฒนาจิตใจขึ้นมาพอมา ถ, ถึงนี้จะขึ้นนิพพานน ะ, ะมันขึ้นบันไดสามเพราะว่าเป็นการแสดงแนวศีลสมาธิปัญญาอย่างที่ว่านะฮะเป็นบันไดสขั้นเป็น ทิฏฐธรรมกะประโยชน์เป็นสัมป ร, รายิกถประโยชน์เป็นปรามัตถประโยชน์คือเป็นประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ชนภายหน้าและประโยชน์คือมรรคนิพานตรงนี้ก็ขึ้นนิพานเะลตะโปจะพระมจริยันจะนะฮะอริยสัจานัตสนาสัญญาสิปานัสชิกิริยาจะเอตมังขาลมามุตมังตปะหนึ่งพรหมจรรย์นหนึ่งการเห็นอริยสัจหนึ่งการกระทำนิพานให้แจ้งหนึ่งเอตมังขาลมามุตตมังสประการนี้เป็นอุดมมงคลที่จิงชักจะเลยบงคลไม่ได้ <laughs> มันก็สูงไปขึ้นนิพพานไปแล้วแต่ถือว่าอุดมมงคลเหมือนกันตาบะได้แก่เป็นเรื่องของความภาคเพียดท่านจะพบว่าคำว่าตบ ะ, ะของเราเริ่มปรากฏในอวตาปาตะปะิโมกเหมือนกันแต่ตะบะนั้นได้พูดกันมาก่อนแล้วในก่อนพุทธกาล ตบะในความหมายของสมัยพุทธกาลก็คือการการทรมานตนในรับความลำบากมากๆอย่างตัวบนล้มฐานเพลิงไรอดข้าวอเอาขี้ข่าวมาคลุกตัวนอนบนน้ำอะไรต่ออะไรเนี่เขาถือว่าตบะทั้งนั้นแต่ว่าของพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงตะบะได้แก่ความภาคเพียนที่เป็นไปอย่างแรงกล้าอจริงอดจั ง, จงมุ่งพัฒนาจิตใจนะฮะท่านจึงแปล ว่าเป็นความเพียรที่เผากิเลสให้ร้อนแล้วให้ละลายให้หมดสิ้นไปได้แต่ธรรมะชั้นสูงมาถึงชั้นสูงไปแล้วซึ่งตอนนี้ท่านจะเห็นว่าเรื่องของความเพียรพยายามตั้งแต่ต้นมามาถึงจรงนี้ยังไม่ได้แสดงนะยังไม่ได้แสดงเรื่องของความเพียรพยายามแต่จะปรากฏในลักษณะของงานไม่ได้เน้นลงไปอาการตะบะก็คือการบำเพ็ญเพียรที่จะขัดเกลาจิตใจ ของตนเองให้มีความส ง, งบประนีตยิ่งขึ้นเมื่อเรากล่าวโดยสรุปแล้วก็คือหลักของสมาวิยมะนะคือความพยายามในทางที่ชอบแต่สำหรับการปฏิบัติถ้าเราไม่เรียงเป็นมาใดสามขั้นก็หมายถึงความเพียรพยายามในชั้นทั่วไปด้วยไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะชั้นนี้ในกรณีนี้ก็คือเรื่องการที่บุคคลพยายามปลุกฝังความพอใจ ในการป้องกันบาปอากุศลในการละอกุศลและใช้ความพยายามไปเรื่อยๆมีการกระทาความเปลี่ยนที่ติดต่อกันไปล ะ, ละบาปได้ป้องกันบาปได้ระดับใดละบาปได้ระดับใดก็รักษาคุณภาพจิตของตนเอาไว้แล้วก็ทำต่อๆไปความเพียนประการ ที่2ก็คือการเสริมสร้างคุณความดีให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวเองโดยการกค่อยๆเพิ่มไปทีละเล็กทีละน้อยได้มากได้น้อยก็ตามก็ให้พยายามรักษาคุณธรรมความดีเหล่านั้นเอาไว้แล้วก็พยายามต่อๆไปนั่นก็คือหลักของตปะได้แก่ความภาคเพียรพยายามของบุคคลที่จะบรรลุผลต่างๆซึ่งตัวต้องการพาาระนพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งความเพี่ยนพยายาม หลักการใช้ความเพียนพริมยาณก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการผลระดับไหนถ้าผลที่สูงขึ้นปริมาณของความเพี้ยนก็ต้องมากขึ้นก็ทํานองอะไรก็ตามนะฮะคือก็อยู่ในกฎอย่างเดียวกันนะแต่จ ะ, จะเล่นบ้องไฟบ้องเผยอะไรทางภาคอีสานถ้าต้องการยิงให้ไกลก็ดินประสิทธิรูมาฐานใดมันก็ต้องสูงขึ้นไป หรือว่าการสร้างตึกสร้างบ้านสร้างเรือนถ้าต้องการจะให้รับน้ำหนักมากอุปกรณ์ข้างล่างที่จะรองรับมันก็ต้องแข็งมากพอที่จะรับได้เป็นต้นในการจะทํางานทํ้งการทั้งการความรู้ความสามารถก็ต้องมีปริมาณสูงขึ้นตามสัดส่วนของงานตามปริมาณของงานทําไม่อย่างนั้นแล้วเราก็ทํางานไม่ได้เรื่องความเพียรพยายามก็มีลักษณะอย่างนั้นบางครั้งได้เน้นเอาลตบะเนี่ย ตบะกะ็พรหมจรรย์ น, นะฮะว่าเป็นเครื่องชำระล้างในทางพระวินัยในทางพระศาสนานี้ล้างอะไรล้างความชั่วล้างบาปล้างกุศลออกไปจากจิตใจของตนซึ่งเป็นคุณธรรมที่ท่านลองมองกลับไปอีกทีนะฮะจะเห็นว่าทศพิตรธรรมก็มีเรื่องเหล่านี้อยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งเป็นการบริหารทางจิตก็อาตาปีสัมปชานโญสติมาอาตาปีก็เหมือนกันนะฮะกตปะนี่เป็นเรื่องเดียวกัน เพราะเรื่องทั้งหมดพอมาถึงไ อ, อ้อะไรบา ร, รมีสิบทั์ก็กลายเป็นวิญญริยะบารมีนะฮะวิญญริยะบารมีแล้วการทำงานต่างๆมันก็อยู่ทุกจุดแต่ตั้งแต่อุตเอธิตธรรมมีกรตประโยชน์ไปเพราะว่าเป็นกฎตามธรรมชาติประการหนึ่งจึงบุคคลผู้ต้องการผลอะไรก็าตามจะต้องใช้ความเพียรพยายามเอาข้อต่อไปพรหมจันทร์ พรหมจันท์นั้นแปลว่าการประพฤติปิดเผยหรือประพฤติอย่างพร่มหรือประพฤติดีงามโดยเป้าหมายสูงสุดจริงๆนะฮะหมายถึงการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาหรือปฏิบัติอริยมรรคนะฮะอริยมรรคก็เป็นตัวพรหมจันทร์แต่โดยความหมายที่คลุมเนื้อหาการปฏิบัติแล้วแสดงว่าคนทุกคนนั้นสามารถปฏิบัติอุดมมงคลข้อนี้ได้เหมือนๆกันนะฮะ มีความตั้งใจหรือเปล่าเริ่มมาจากอะไรนะฮะเริ่มมาจากสามีพัญญาที่สามีไม่นอกใจพรรัญญาพัญญาก็ไม่นอกใจสามีนี้เป็นพรหมจรรย์สถารสันโดษยินดีในพัญญาของตัวเองสามีปฏิวัติจงรักภักดีในสามีแต่ละอย่างนั้นเป็นพรหมจรรย์ตอนนี้กำลังอัดเทปเรื่องเรื่องเปรตตนหนึ่งน่าเสียใจนะโยมก ฟังดูผิดศีลข้อการเวยไม่น่าเสียใจจังนี่ก็เป็นเป็นพรหมจรรย์ชั้นหนึ่งนะฮะสัจจะตัวเดียวนะฮะสัจจะตัวเดียวก็เป็นพรหมจรรย์มีสิบข้อเอาก็สถารสันโดษยินดีในพัญญาของตนเองแล้วก็สามีปฏิวัติจงรักภักดีในสามีสัจจะคือความมีสัจจะ แสดงออกมาได้ทั้งทางกายทั้งทางวาจาแล้วก็พื้นฐานทางใจนี้ก็เป็นพรหมจรรย์อีกชาวบ้านจึงประพฤติพรหมจรรย์ได้แยะนะฮะแล้วต่อไปอะไรคือศีลห้าศีลห้านี้ก็เป็นตัวพรหมจรรย์อีกข้อหนึ่งซึ่งพรหมจรรย์คือการประพฤติประเสริฐประพฤติดีงามนะฮะมันดีงามกว่าคนอื่นนะฮะคนที่วุ่นวายในเรื่องคู่ครองเยอะแยะเราไม่วุ่นวายเราก็ดีกว่เขามันก็เป็นพรหมจรรย์ คนก็โกโหกกันเยอะๆไป ย, ยิ่งทุกวันยิ่งโกโหกกันใหญ่เราไม่โกโหกเราก็ดีกว่าเขาอ่ะนี่ก็คือหลักของพรหมจันทร์ที่เป็นเป็นระบบคุณธรรมพัฒนานะฮะการประพฤติเปรตพรหมก็แปลว่าประเปรฐจันย์ก็คือการประพฤติตนเองการประพฤติเปรตอย่างน้อยประเสรตกว่าอย่างอื่นมันก็ขึ้นอยู่กับเอาเอาอะไรมาเทียบกับอะไรน ะ, ะเอาอะไรมาเทียบกับอะไรถ้าเราสูงกว่าสิ่งเดินมันก็ดีกว่าในจุดนั้น จึงเริ่มมาจากจุดเล็กๆไปไม่ใช่ว่าพวดพราดโยมจะไปบินไปนถึงอริยมรรคเลยอริยมรรคนั้นเป็นเพียงเป้านะฮะเราก็เดินไปเรื่อยๆแต่ว่าการปฏิบัติในแต่ละจุดมันก็สงเคราะห์เข้าอยู่ในองค์อริยมรรคนั่นเองศีลทั้ง5ประการที่บุคคลปฏิบัติเนี่ยจนถึงเป็นกา ร, รยาณธรรม5าคือตรงกันข้ามกับศีลห้ามันก็เป็นพรหมจรรย์ เด็กแก่การเมตตาต่อการมีสมาชีกวเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบธรรมก็เข้าพรหมจรรย์ทั้งสองชุดนะมันซอนๆอสามชุดซ้อนกันอยู่ในในในกัณญาณธรรม5้านะฮะจะเห็นว่าสถารสันโดดข้อที่สี่ไอ้ข้อข้อที่สามหรือสามีปฏิวัติข้อที่สามเนี่ยก็เป็นพรหมจรรย์อีกข้อหนึ่งข้อย่อยมาถึงคําสัตว์ถึงตรงกับศีลข้อที่4ี่ก็เป็นพรหมจรรย์อีกข้อหนึ่ง พรมจันทร์ซ้อนพรหมจันทร์กันอยู่ในสีหานั่น เ, เองต่อไปก็เป็นอะไรเป็นเรื่องของพรหมวิหารสี่หรืออัปปมัญญาสีนะฮะนี่ก็มีมาก่อนพุทธกาลได้ทำไปเป็นพรมจันทร์ที่สามารถนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ได้รับความสุขในปัจจุบันขัดเกลากิเลสได้แยะนะฮะพรหมวิหารเนี่ยเมตตาก็ขจัดกิเลสสายโทสะได้มากการุณาก็ขจัดสายวิหิงสาได้มาก โมติตาก็ขจัดสายโลภะกับสายโทสะได้มากแล้วก็อุเบกหาก็ขจัดสายโมหะได้มากแล้วก็ขจัดได้แต่ละสายข้างเขาในสายของพรหมวิหารนั้นการปฏิบัติสร้างเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาไปในแนวของการเจาะจงกลุ่มชนบุคคลเผ่าคนหรือว่าิศทางต่างๆก็ถือว่าเป็นอีกชั้นหนึ่ง แล้วก็พลิกกลับอีกทีหนึ่งคือขยายปริมาณออกไปมันเป็นอัปมัญญาอย่างที่เคยพูดเรื่องอัปมัญญานั้นที่จริงก็เมตตากรุณามุติตาเบกขาเหมือนกันแต่กระจายตัวเองในรูปของสเปสตานะฮะ ม, มายังนึกขำๆอย่างเราก็สเปสตาตากันด้วยแต่แหมจะเป็นเราเป็นเขากันจังเลยเวลากลวดน้ําเล่นสเปสตานะฮะสเปสตาแต่พอนั้นท่านั้นเองท่านั้นพ อ, พอออกไปจริงๆพอหลังจะทําวัดสวดมนต์ไปแล้วเนี่ย ไอ้นั่นพวกภาคนั้นไอ้นั่นสถาบันนั้น้นั้นสีนั้นนันรวมนั่นกองนั่นเอคนจีนคนแขกนันยเยอะแยะที่จริงเราขวดน้ำเราสับเพสตานะฮะเฟสตานมันครุ่มหมดแล้วไม่มีเรามีเขามีแต่พวกเดียวกันทั้งนั้นคือสับเพสตากันทั้งหมดเวลาเราทำใหญ่นะฮะแต่ว่าเอาก็จริงไม่ใหญ่เต่ไห พูดใหญ่โตเลยมันวยเพื่อนร่วมทุกเรร่วมเกลียร์่วมกายร่วมเจ็บร่วมตายกันทั้งหมดทั้งสิ้นอยได้มีเว้นแก่กันและกันเลยก็ว่าจะซึ้งเลยนะฮะปรกวดน้ําเสร็จเ็จมันนั่งเถียงทะเลาะกันต่อสะเพรแตตามาหยกหยกนั้นคือคือเราจะเห็นว่าเวลาราคุยมันกว้างนะฮะแต่ว่าในการบันทัดมันแคบก็ขยายตัวเองออกไปจากพรหมิหารก็ขึ้นถึงอัปปมัญญาในพรหมิหารเราก็เริ่มสะเพรตตาอย่างที่เราปรกวดน้ํากันตะกี้เนี่ย แล้วพอมาถึงจุดหนึ่งก็ขยายตัวเองเอาเป็นอัพัญญามันก็เป็นพรหมจันทร์อีกชั้นหนึ่งแต่พรหมจันร์มี ย, ย, ย, ยังมีอีกหลายข้อนะฮะพอดีก็เวลาก็หมดลงแต่เพียงนี้แตามาวันนี้ก็ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญองอกงามไพบูรณ์ในธรรมจงมีแต่ท่านฝั่งทั้งหลายโดยตัวการทุกท่านเทอ